เราอกราบอกไม่ไ้แวันนี้ก็จะเห็นเรืความนี้ก็จะห็นถึอะไรถันาไมได้ดูิ่อง้นแล้เร้ใส่จนาใหไหมท่านห่มก็ไม่ใองาต้อองค์ที่ดันของของก็คือรจาพระองแตกายต้องมแต่เดี ก็เลยตวอ่าก well, so ็อั้เป็นนี้เอนก่นสมก็นั่งเล่นอยู่ตอเยนประมาณางเนรไ่รู้กกนที่เหนก็ม่เคยรู้ใจกนป็นอะไรก็ม่เคยอยากเห็นข้งังนั่งเมาตัอะไรกันแ้วมีรถไฟคนเยมาเตียงมากขนนะ หันเลยไปแ้มาพุทธมาพุทธจะเกิดเป็นพุทธโอ้ยมาอล้วมาพุทธไปมาได้นใหญ่เลยโอ้ยไอเต๋อน้าไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลอันไปเยี่นิดเดียวเยี่ยมไม่เลี้งเี่ยมไม่รจักไอเลี้ยมไม่เลี้ยงจัไปไอเ่มนดหน่อัไม่ใจเย็นเราะว่าารแบนั้นมาได้เลยว่าเยี่ยมถ้าไม่ถึงผมไา่ยามีวะเนี่ ไาวนเกข้้มีการปีดาางไปาวเอ้ลยิอไิ้่อใจไม่หลาไม่ันดันมึงมเองของขึเไม่ก้เอะมรนเลีี เป็นทางยิ้มๆเลมก็นะเพรว่าตอนาทำานอกัน่ยเลยเลยนะใ่่าง้นแต่ตอนนเราก็ไมเรียนมมือดีนะก็ยังไม่ก่มากอายุย่สาแล้วยังมเองนังไเไม่เลวเลเพะ่าอะไรทีไม่อะไรี่ายแ้อไ่มอะไร สองเดอนเเดืนหมยังไม่รู้เรื่องสามวันยังไม่รู้เรื่องอะไรที่แต่เดิก็เป็นอไยังไม่รู้เรื่องแต่หลังจากนี้ว่า้าก็เดุอดดสบายเราจะเดือดตลอดอาว่าเอดไม่สบายเราเดือดตลอดตลอดข้าด้วยเพราะเดือดดีเว้ยแต่เนต้เหนื่อยใช่ไหมอายก่ต้องมาทำไรกไม่ไ เร oh! <Turn. couple. S 2> ื่องมีจิตใจที่เข้าถเวลามีจิี่ยู่ไม่าความเป็นอย่างถึงหลังระยป่วยใหม่าะวระหว่างที่าแดร้ดก็มีมาไอเยอะจนม่นตนตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตนตืนตื่นตนตืนตต่ืนนต่่่ ทีากล้หเารวาามคุว่าน่าเห็พราะฉั้นเราใว่าลวไม่เคยม่นะแต่แต่ยัไม่ได้มต้องสในานสิดยก็คือว่าการเล่นคนีนงาไม่รงเดียวแติดใ้าเกไม่เล่นหน่อยเอเคยก็เก่งนิแาลุก เราลกเราเองมัจากตั้งมามาวายแล้วก็าวายจแล้วเออด้ก็พาาไม่ได้รด้ยซ้ำวรจนเียเร้นท่ธรรมดาแล้วก็ขอายะรม่ได้เ็นแต่ เมื่อเริ่มต้น้นแเร่เจื่ร่ต้้ลจะต้องไปยุบขึมาหาบาตอเาเป็นกัรถ้าเอการขาดต่อบาโดยใตัวเรื่องี่สองไม่สามาระร่องเรืกาิสูรืาทำเท่าไรนันหายว่าอย่างไรไม่ต่อทีของแล้ เป็นไมด้เป็น <s> ท <departure> ี่เลยไอ้ตั้งพุทธไม่ได้ไแล้วเป็นเหมือนโอ้โหไง่ายเยนะแต่ปัญาไหนจะได้อเีม่งอใรจกไป้วคิดนหน้ายอากไปไปไปเออไจจะทำอะไรออะีแต่ขาที่าจนแบนีันะนี้มั้ เพรทำอะไรอย่นยาอยู่ใวลยเป็นรที่ทำไม่ไอ๋อก่าง่นอยเป็นี้วใครได้ข้งเดได้ใส่บาตรเลยยาก็จะเปนแต่ร้อยู่ะเลยาะตอแต่าทีเขาห่ด้าเาจได้ไมร้จิงๆั้นย้บาทีก็หายิดถก็ได้เสมอกันน่าอยู่ใน้านไปอีกครับ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 ว่าด้ได้ได้ไา้ไร้ไได้ได้ได้้ได้ได้ไดได้ได้ได้ได้ได้ได้้้ด้ไ้ ขาหมอก็ขนหมายหมอมาลาอยู่ท nice. ี่บ mm. ้ามอใกล้ๆเลยใล้ๆนาลูกจะใกล้ๆเราอก็้น่รู่้ๆผมไร่รักษาน้องชารอรอมาศึกษาดูว่าเลื่อจากตำแหน่งไหนไปไม่ใช่้วยตัวเลยนะครับเพราาไม่มีใครเป็นใ้รกันตรงนี้จังเพื่อนๆจะเป็นเป็นใครเป็นังคนังคงนนายั้น่นด เป็นไก็่นอะโอ้โอ้โอ้โอ้าอ้ลอ้โอมโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอดโอ้โอาโอออ้อ้โอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้้้โออ้โอ้โ้อออ้อออโออ ก็ที่เราต้อจเียบางที่อยากจะรบกวนก็รบนาเพือารนแต่จริงๆก็ต้องขอเพื่อมีโดมีการรบกวนเป็นอยากใจบางเวลาที่ไม่ได้ที่มีแต่ผเป็อย่างน้ท่านที่จะมองใ้ื่นใารจวราเองก็รู้ แม่เบี้แม่เดี้ยเป็นแต่ดูได้อย่างนี้แม่และเจ้าของนำมาบ้านเดี๋ยวเวลาสี่หปีแล้วที่ว่าไอ้เนื้อจารตยวลูกจะตกใจไอ้ที่จะตกใจนที่ว่าท่านนี้จะฟังกุ้มกุ้มกุ้มกุ้กุ้มกุทัวตายดีกวารุ่งใจรุ่งแรงเดี๋ยวก็คว่าเดี๋ยวก็มีแค่ช้วนไหน ที <ersch> ่วางแล้วให้ควตายดึงบ้างหอจ่าใช่ไหมไอ้ที่เาให้เขาหมดกวหมดหมดก็ต่างเออแต่ถ้าจะให้เขาใจที่มันสะเาือนเอ่อความเมตตาให้ห่อวางอย่างนี้ไอ้ถ้าเขจะตายแต่ยังจะดีที่ตั้งคันถ้าไหนที่ตั้งคันอยู่ก็ตายไปแลานัันยังไม่ได้เกิดต้นด เราองพัเรองพันาเ้งาเอพราอเร้าตพั้งรงันอาเอร้ันตั้งเรอาเนเอาาต้าาอรง้ันรตองเ้าตอตอเอาอางนั้น้เน ก็จะไม่ต้องพูดว่าวน่าอโ้นไร้้เาอวน้ิดตนต้นไอต้อนต้นต้นต้้านต้้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นย้นต้นนต้นตนต้ตนต้นต้นตนต้นต้นต้นต้นต้น้นต้นต้นต้ต้นตต้นนนต้นต้นนต้นต้นตน้ตนน้ต คนก็มาแต่เรืน้ก้าัาทำาต้อมัดเ็นตัวที่ทำ้เาเรา้าก่จะ้ไอ่างที่รต้องการทำให้เราได้แต่วลาทำคอาทีาเยวันี้งไปก่อนเนี่ยเพื่อขออะไวัน้ มันเพื่อต่อเนื่องเ c ื่องที่ไม่ต้องไม่ต้องไม่แต่แต่ก็ต่อไม้เพราะถือได้ไมเแตก็ถือ้นอะที่บอว่าทุกอย่าแ่ิหมอกังผกรับไปสดท้ายอะคือใครจะเจ้าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าคือมีคนไปเรื่องห่งแล้วเนีนนี้็หลากนก็รื่องหนึ่งเลยน่ก็เหมือนแบต่ที่ว่าจะเองภาษาเลยละมีเส้นา ก็จะมาขอมาเลยไปเลยที र, ่เขาเป็นไปเขาไปอย่างนี้มางะบอกว่ามาดีานะางะกว่ามาดีมานแม้เราจะุดยอดจะก็ไปแบบเดิมคามรูก so ็แบบเดิมามเล่นแบบเข้าไปกันได้คามากหรือม่นะแต่เอามาเอามาเอมาเขาตู้เลยนะ Amen. <laughs> เพราะมันเลยไม่รู้แล้่ก็ติดใจเต็มเลี่จต้องเปรนได้ก็ไม่ได้เลยอ้คอว่ามีปีละมีเล็กครับเ็กายเลยวะตอใจอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อยโอยโอยโอ้ย้ยโอ้ ก็แบอกรื่องนี้แล้วกันอ่าก็ที่พ่อพี่เขาบอกมาที่บขอกมาอ่าแต่ถ้าเองนี้ก็จะยองต่ที่ทเขาอกม่เขาาไปต่ทเขาากมาอ่าก็ย้องดไดูแต่ที่อกมาี่เขาบอกมั้งไปดูไปดอมเขามาองต้ไปดไดูเอกมาอมาอ่าังตต่อกาต่ที่เขอกมาอ่าก็ยัดูไปดูแาบอกมาแต่ที่เขาบอกมาอ่ คุหน้าต ko าที่เป็นแบบไทยเป็นไทยไทยเนี่ยเวลายังมีอยู่ถ้าเห็นมีขไทยเทเเห็นลือยได้อยู่ไม่วาอยู่น่าจะารานแรคนไทยแก็ได้ที่วนวานไปนี้ก็สบาเลยเพราะผมคือรักไทยเป็นเยะ ก็ไปทหเรื่องเลวราลงอีกใชไหมบ่ก็บอกว่าการร้าลูกก็เป็นลจากหลวงลกที่หลวงพี่เป็นตาหลวงพ่อทำธรรมะก็จะเป็นธรรมเนี่ยตลอเวลาที่ลงพ่อมาสอนหลายเรื่องยิ่งหายใจเข้าใจเราเป็นรอยลยทีเดวเาธรรมะที่เราเรียจากใจเราเลยลูกว่านักเลกก็อยากจะรู้เรื่ว่า ไปมาพูดเดียพเป็นพระกันว่าหวงอเป็นอาจาที่เก่งกาว่าใครามาเยกลต่ร้เรูเอายังไง้าเป้ก็โรธลงอย่้หวกต้อดใจออเออเออเออเเอเออเออเออตออเอออเออเออเออเออเอเอเอ ที่จะหมายาวันนี้ก็อมาลาโทษก็สงความสนาเพื่อเชื่สุานได้จิพากันจะได้หรือไม่เพราะอามอยที่จิตย่นี้พาะมาลาโทษวัน้ไม่ไดกันเนาะมัีโกระบวนการไม่แสงธรรมนิทานไม่ได้อากาัเลนเป็นหยค่ดเป็นคนคนเดว แล้วไมอย่างนี้นะถ้าเราจะเรียนฐานจะทำให้เนี่ยการติดมเส็จมากขึ้นพอจะเรียนเสร็จแล้วากขึ้นมางานไม่แกร่งอยานี้เราตีตัวมันก็เด่นใจอันนี้คนเด่นอ่าถึงมึกได้โอ้หเดไม่ไไม่เสดเหมือนใหม่ๆเมือนจำเลยเลยเป็นไปทํางยุทธไม่ได้ไม่เห็นเองข้าเราไม่จับใจต่างวันได้ใจได้มคุกับ แต่มันเพิ่งจะป็นภาษาที่ห้าได้ไหมห้าตึ้งไปกลอันเลยโอ้ออกตวก็เป็นเป็าคเหือประมาณสามเดือนใช่ครับใช่มันก็น้ n ยเผลอแล้วก็ทะเลาะกันไม่กลับใจเผลอแล้วก็ไม่กับใจบงคั้งมันมีกรเลือกติดตีบางครั้งเนี่ยิมามาเมนก็เนเหมือนกันไม่ได้เหมือนกัน ขันยอแต่ามาท่เะีที่มวมราาันันรออาายักยจะ่งขนนตรงนี้ัไม่ยอมลัมนหมายความว่าเป็นมาเป็นขังเตลือเป็นลือเลยนะตคนเนันกล่ารได้เห็นยัเยเตันดันมันจะหเนมามันจะตัไปั เขาบว่าทานไปได้เลยมันเี้สามารถสนใจได้ก็เหนมั้นี่ใ่าจารย์บอว่าถ้าคนจะตายเขาจะตายเมือยตายไม่เมื่อยละเมื่อยมันอะเมากอยดีมันก็เฉยไออกางหนึ่งที่าอายุสุขใจเก็ทาดีใส่ใจทำไมเยอะมันเรินมไม่เมื่อยดาที่ใส่จทำไม่ตั้งใจาเยอะก็หายพอเพื่อจะใส่าม่รู้่าโอ้ก็มาก็มาใจก็เป็นเหมือนกันยังเตนมยังเติมเลยเต็มแล้ว เอาแรนด้มัควใจให้เลยนะติดรู้ตัว่ขอมาแล้วก็ตามไปต่อไปอาสาบ้าก็จะรับสั่งถูกลูกเห็นภาพในการเปรนกบฏและที่การฆ่ากันเอามาให้ดึงปรดีาบทีมันก็มายังกลารเป็นไฟพลาแหลงเหมือนยันลูกสงสัยว่า ถ้าลูกสาวมามาเข็มลายดูมาเ็นึ่ด้อง้ได้ไ่วม่ขอลกาวที่มาตอนสายลงก็นตาม่ตาตาไมอยู่แล้วาจะปนให้จะกิเ็นไาทีห้ยืดแมเออาะลายเป็่าไกน เหลือเหลือไปแล้วก็ตัวที่เหลืออยู่เพิ่มเติมเป็นตัวตายหรือตายตัวเมตรนี้จะเป็นเพราะว่าไม่น่าพูดมาริงๆเพราะเนื่อก็เอื่อเป็นเพื่อนมาเป็นเพ่อูกา อ๋อท่านทำงานท่านไม่เคยท n นทันทันมาเพราะฉะนั้นเชื่อเลยทายเชื่อเด็กมีเงินน้ำคนก็เด็กเสียหายเสียงคนที่นี่สิคมันไม่ดีกว่ากรรมกาดๆแบบนี้ก็ครับไอ้เรื่องม r นคน n ันสอนครับแ a เออไปเรื่อยอะไรแบบไม่จะรอดไปแตจึไม่ได้ยังไงก็ไม่ดีแม้แต่ข้อหน่งที่มาต้อายก็มด้ยังมาไมด้ ก็ีากไม่ต้มันดีมากายง่าเฮ้ยนแที uh> ่ใคะมาลงมืตทำนี uh> uh ่ก huh. ็ลได้ก็อาไม่ตองไปย่ไนไม่อถ้าใครมักการไม่ต้อไอทีนะ้าใอยาเรีนี่เีเขาว่าที่ถือว่าเป็นการเรนเนการถ้าเราต้องสอตงเลยถ้างานงานที่ที่เจที่็ต่อไประไปดูได้ อ uh, <Yeah. S 1> ๋อโอ้โหคกับที่ที่เขาทำให้เขาตื่นนะเขานเต้นอะไรแบบนั้นะที่จริงขไม่ได้ตืนะ เรียหนี่จะดีาย่าบคุณมีาการไาเป็นค่าเป็นคแล้วก็ไหนแต่ต้องทำดีไอ้นี่จะใช้สิทธ่าเจินเขามขายเนี่ยเขาต้องายนทุ่างก็ เขยืนยันว่าาดไม่มีแมว่าดถ่าล้ความนเรื so, like, ่ข่าว uh ้งอร็แตวทาง่เรื่องอไกมย่ยน่รทงไมไ้เหเห็นที่สี้เห็เนี่เเนี่แเ็นีก้าเนี่ิเนี่อ็ดเหนี่สิองเ่สิบสามเห็นที่่เนที่สิบห้ี่เที่ิด เพราะว่าไม่ันแล้วเือดนา่โอ้ใครที่น่ากลัวไม่กินหมาเอ้ยรอ้ยทำให้ใจพันเอ้ยใจกล้าไม่าโดนโดนเนาะเจ็บมากมารเลยมีเรื่องติดองมหน่อยกันเลยเลยตอนนี้พ่อจะรเ้าไม่โดนพ่อองค์เลือดิด้าหลับใจติดเราจะรักษาใจ เพาะนไปไม่ดีหมายางหมาวามว่าจะให้เงินเพื่อนเพื่อนมเป็นคนใดๆเพ่อนไม่ได้แต่ว่าเขาทำที่นันขึ้นใจมันแขงแกร่งอยู่ขนานี้แต่ไม่ได้พิชกตไม่ได้คนนึงเขาเ้าไปเทวันเขาเขาเข้าไปแต่แไม่ได้ทำสดกับใครสกคนแต่เขาบอกว่เมื่อวันไม่ได้ทำแบบน เราผมมหาภัยายแล้วแล้วจิตใจปราเองมัตายไปมันเกดรันแล้วเร่องไรเกดไปแล้วมันยังไม่ตายแล้วพ่อจะมาถามว่าทำงานที่ถามบอกแต่ในวั้จะทำอะไรบ้ไม่ถึงบ้านแต่อรแต่ว่าผมเหนื่อยเขาปใส่ในรถเพื่อตายเนี่ยี่ตใจมันอยู่กับตัวเดิลงทางหลงทาก็จะเจอมองน้าไอ้เต็มใจองน้าอะไรแต่เน้น มอนานมกมันก็จะให้มีกลายสารเตหร์ถคาพิสัยใจกลาการเตอรนี่ก็เราจะกินก็าึินได้แต่เราจะตายเพราะไเก็บร่างไม่กินทำไมแต่พิสัยใจไม่กด้กินเมื่อเข้าเมื่อตายเมื่อเกินเมื่อตายเมื่อายก็อบกละจาเ่อจับมบ้านฉันเก็บร่างมื่ตายอีกเก็บร่างเมื่ตายฟันเก็าเมือตก็บที่สี่ถ้าของไม่ตระหนักว si, ่อเราเลีก <|es|> ็บพอดีพ่ออะไรพ่าพ่อเองท่าอย่างน้อมันมีม่ตาย ขารู้วออายเพราะเหตุการณกรและต่้าข้าพูดอย่างนั้นเองจะเกิดตายฐานเตน่้าพูดองาป็นเีตาิดาวคั้ตาก็ดา่เาีจเปนการแถง่าก็ตีกั ทัเล็ที่เดียวเาต้องขันเดียวเลี้ยงตัและวตัวตัเนันจใหญ่ก็ได้ใ่าพี่กัดแต่ไอย่านยังไม่มีก็เป็นยุ้ยไข่บางคนเมียุ้ไขัเนี่ย่ยไข่กินได้ได้เจ็กเลย้ม่นว่าตายจะีจะไได้โไม่ได้เอาไขอ้งน เอาไป้ไปดหมอุกัวเพราะถ้าเกิดไอ้คตายละเอาไปทำเแล้วก็จะก่อเรื่องเนอันนีก่อนแต่มันนเดกใหญ่็ต้กตะเออลาไปยตั้งใจเลยว่าถึงปีเราจะเ่ิดนี่ก็ถึงเดีอนมันไม่เกิดถ้าทัเดีอนมันเกิดเดือนตัว ให้จิตใจตั้งไว้ใจเดือนละต้นเดือนมันจะเกิดลานึตัวหรือสองตัวตาตั้งไว้อันนี้ก็หนาที่ใจก่เป็นหน่มั้นาที่สิตังเวเรืเรือยกิถ้าตายแล้วจะมีความสรือมือนมมือนแบบอย่างนี้เป็นอะไรไม่ได้เป็นเลตาแดมีมรอี่ใ่ไดเพร่ามที่ลกหานบางคน่ยพ้ยลว แล้วบอกตาะตที่เาอเงียถ้าโอนแต่หลวอนะถ้าอยหนด็กหลีดีดคุจะตายเลยคนตายมันมันจะตายดีกวาจดีวันจันจะก็ตดยเขาจะไม่ไหน่ี่าตาย<ร>มนนไอไปดูรอดูแล้วเรื่อมันไหลดีีไหลน้อยต่ตายนคนไม่ห แต่ความรการเนแบบนี้จอยู่ด้อย่างไนอกผยังไม่ตายฉันจะยังไม้ได้ฉันควรจะอมี่ได้ยันาดนี้โอ้อย่างที่คุณบอกก็คือเขาเ็นจานสิบสิบกแล้วไม่ได้คุยเลยนะคนึงกันเองไม่ไดเกี่ยกันเรืองทานะแต่ถ้าเขาบอกว่าก็ไดหรือไม่ได้ก้ที่อื่นบอกเองนี่แหใช่ การโฆษณาคนเด็กก็อะไปทะเลาะกับใครกันแน่ฮะอาจจะเป็นเรื่ขนาบอหร่าอเจ้าพ่จะชนอยไหมไม่ใเหรอท่านผู้ชมโอ้ใจามใจเชืนอใจไว้อนไหนตอนไหนใจไม่ไจมีมั้งใจตาม ท้อะไรทไปล้ยงกับยราฟนะเอไปลี้ยงกันนะโอ้โหมันจะสิอที่จะทำผู้หญิงแตจะมันจะเรกป่าังวัดมันเป็นป่าอะไนะคุณบ้าทางเีป่าอะร้่งทางนั้นไม่ใางยหอทามีันสิแต่เขาจะขายเมือขายเนื้อ แตที่ตอนนั้นประมาณัก่ร่ะมันมีสามเจ้าสามเจ้าห้าสิบแปดไร่เนอะแล้วก็เขาจะขายกี่จ้าหนึ่งเจ้าว่าแต่เจ้าหนึ่งอาจจะขายแต่เจ้าหนขายได้กี่สิบแปดนี่กี่สบแปดไร่อกแล้วแต่ในตัเขาเาเขาว่าขายแต็นไม่รู้ถามมันไม่มีแล้วเขาเขาจะยยกี่ไร่กัน ไอ้ที่ใกล้ๆกันั้างๆกันเขาขายเร่อยๆแบบนี้อ๋ออ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่วก่จะจะลองดูก่อนว่าเราจะมีปังจำไหจะให้อยากไม่อยากจะซื้อมันต้องิดแตกันดีะเลขายดังทะเลป่าไม่ใช่แต่ทะเลป่าเลยทะเลป่าก็ได้ทะเลปามาได้ ไมายช่ว่าจะสร้างอาคารแบบสชั้นแบบนั้นเลยนะยอดหนรายก็จะสร้างคืเดิันอ่าอันเดิมมันค่อนาหเลยอันีกับที่นั่มันมีคนหน้ามีคนตายมีเกิดพลานก็เยอะหลายอย่าง่มันมายแนนอน้เราฆ่าแบบไม่ไหวฆาแล้วถ้าร่บก็ต้องไปเอต้องไปเรื่องอะ้าย่อ่าไ จะเป็นพราะเวลานี้สายเลมือไเที่ยตัวก่อด้่าายไกกทเป็นอะไรกันตัวนึงวนึงแค่ตัวนึงตัว้่ามแล้วตัว่ตัวสให้เป็นสามไม่ทอะไรมตอจะนั้นไม่ไ้เลย เอออะ่าไปติดเรื่องย h ทานยาทานบางคำไม่ตีภษาถ้าอยางไรเขาเาถามนะอันว่าอาจะมีการหยุดานตั้งต่อนกันา